ชุดตามพระใหม่ไปเรียนธรรมโดยพระธรรมปิฎกปออปยุตโตตอนที่สี่ระยะเริ่มแรกแล้วก็ก่อนจะเข้าหลักการนี่คุยกันเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันความเป็นอยู่สิ่งที่มองเห็นสิ่งที่ต้องใช้ในการปฏิบัติกิจ เช่นกิจวัตรประจําวันนี่เรามาบูชาเมื่อกี้พูดถึงเรื่องเครื่องบูชาก็เลยเอาเรื่องเกี่ยวกับการบูชามาพูดสันหน่อยการบูชานี่ในภาษาไทยความหมายออกจะสูงไปหน่อยในภาษาเดิมบาลีไม่ได้สูงอย่างนี้คือสูงนะแต่ว่ากว้างกว่าภาษาไทยนี่บูชาไปอยู่ในระดับ เดี่ยวคือสูงมากภาษาบาลีนี้คลุมหมดบูชาก็คือยกย่องให้เกียรติเทิดทูนเ ช, ชิดชูที่พระพุทธเจ้าจัดว่าบูชาจะปูชนียา น, นางเอตัมมังคลมุตตามังในคาถาที่เราสวดในมงคลสูตรบูชาคนควรบูชาคนที่ควรบูชาก็คือคนที่ควร ให้เกียรติวนยกย่องอย่างสังคมไทยก็มีพระสงฆ์ครูครูอาจารย์นี่ก็ถือว่าบูชนิยบุคคลนอย่างพ่อแม่ก็เป็นปูชนิยบุคคลสำหรับลูกแค่นี้คำว่าเป็นที่บูชาก็คือว่า เคารพนับถือให้เกียรติแต่ว่าในภาษาบาลีนี่จะเห็นความหมายกว้างออกไปเช่นอย่างมีคนหนึ่งมีความขยันหมั่นเพียรสร้างหลักฐานจนกระทั่งว่าจากคนยากจนก็กลายเป็นคนมั่งมีเป็นเศรษฐีนี่ในสมัยโบราณ น, นี่เศรษฐีนี่เขาตั้งเป็นตำแหน่งของบ้านเมือง พวกเมืองใหญ่ๆอย่างเมืองราชครื้มเมืองสาวัตถีซึ่งเป็นเมืองหลวงของแคว้นที่เป็นมหาอำนาจเขาก็จะถือว่าคนที่เป็นเศรษฐีนี่จะเรียกว่าเป็นทรัพยากรสําคัญเป็นเครื่องหมายของความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจของแว่นแคลนของรัฐนั้นๆ น, น, นันก็จะมีการตั้งนี่มีเรื่อง หนึ่งที่แสดงความหมายของคำว่าบูชาได้ด้วยก็คือว่าคนหนึ่งแกยากจนแล้วแกก็ขยันมันเพียรสร้างเนื้อสร้างตัวสําเร็จมีเงินมีทองมั่งร่ํารวยคือมายความก็ร่ํารวยด้วยแล้วก็แสดงเป็นคนมีคุณธรรมความดีสามารถสร้างทรัพย์สินขึ้นมาด้วยความสามารถของตน ในคำพีท่านก็เาบอกว่าพระราชาก็ส่งบูชาบุคคลนี้ด้วยตําแหน่งเศรษฐีตั้งให้เป็นเศรษฐีใช้คําว่าบูชาก็นี้เรจะเราจะเห็นความหมายคำพระราชาบูชาบุคคลนี้ด้วยตําแหน่งเศรษฐีก็หมายความว่ายกย่องนั่นเองให้เกียรติ ไม่ใช่หมายความว่าจะต้องเอามาขึ้นแท่นหรือขึ้นหิ้งแล้วก็กราบไหวนะเดี๋ยวจะกลายไปว่าพระพร ะ, พระราชานี่ต้องมากราบในคนนี้ที่เป็นเศรษฐีไม่ใช่อย่างนั้นนะนี่การบูชาการยกย่องให้เกียรตินี่ก็ในทางพระศาสนานี่ก็ให้หลักว่าบูชาคนควรบูชาอย่างที่ว่าและถือว่าการบูชาคนที่ควรบูชานี่มีความสําคัญอย่างยิ่ง ก็คือการรู้จักเชิดชูยกย่องคนดีนั่นเองซึ่งมันมีความหมายต่อสังคมมากถ้าคนในสังคมมีค่านิยมที่บูชายกย่องให้เกียรติคนดีมันก็จะนำทางของสังคมนั้นไปสู่ความดีมาแต่นี่บางทีสังคมก็ไม่เป็นอย่างนั้นไปบูชาทรัพย์สินเงินทองซึ่งเป็นกันมาก ไม่บูชาความดีก็กลายเป็นค่านิยมที่เชิดชูเรื่องวัตถุในทางพระศาสนาพระพุทธเจ้าก็ย้ำเรื่องนี้โดยเอามาจัดเข้าในเรื่องของมงคลสาสิบแปดด้วยและคาถาธรรมบทก็จะมีกล่าวถึงเรื่องนี้ไว้ถึงเรื่องให้ยกย่องคนดีเนะี่ย มีคาถาหนึ่งที่บอกว่าเอกันจะภาวิตัตตานางมุหุตมะปิเปปูชเยสาเยวะปูชนาไสยโยยันเจวัสสตังหุตังก็ได้ใจความว่าบูชาคนที่ฝึกตนแล้วแม้เพียงครู่เดียวดีกว่าเส้นสวงเทพเจ้าร้อยปีาง นี่เอาขนาดนี้เลยนะทำไมว่าบูชาคนคนดีคนที่ฝึกตนแล้วครู่เดียวเท่านั้นดีกว่า บ, บูชาเส้นสวงเทพเจ้าอยู่เป็นร้อยปีล้วคนที่เป็นเส้นสวงเทพเจ้าอยู่ไปอ้อนวอนขอความช่วเหลือก็มวัวแต่ไปนะนึกถึงนอกตัวเพื่อประโยชน์กับตัว คนก็ไม่เอาใจใส่กันสังคมที่ควรจะแก้ไขปัญหาอะไรแต่ไรไม่เอาใจใส่อันนี้เรามายกย่องคนดนะีก็ใจเราก็มาอยู่กันเรื่องของมนุษย์ที่จะต้องนะช่วยกันทำความดนะีช่วยกันแก้ปัญหาอะไรต่างๆจุดเน้นของความเอาใจใส่ก็มาอยู่ในเรื่อง ของความดีงามและเรื่องของการที่มนุษย์จะต้องทำอะไรใช่มมันก็แก้ปัญหาสังคมมนุษย์ได้ถ้ามัวมองไปข้างนอกไปรอไปขอความช่วยเหลือเทพเจ้าอยู่แล้วเมื่อไหร่จะได้แก้ปัญหา่แล้วมนุษย์ก็ไม่เอาใจใส่กันไม่ดูกันไม่คำนึงถึงเรื่องสิ่งที่ดีงามที่คนจะทำอันนี้ก็เป็นแง่คิดอันหนึ่งนี่ถ้าเราจะบูชาอย่างเทวดาเคารพนับถือด้วยคุณธรรมความดี เหมือนกาบบูชามนุษย์นี่แหละคือมุ่งในแง่ของความดีงามจุดหมายก็คือว่าบูชาคนดีหรืออะไรที่ดีก็ตามนั้นก็คือบูชาตัวธรรมะนั่นแหละเพราะว่าบูชาคนดีก็เท่ากับบูชาความดีใช่ไหาะาคนดีนั้นดีขึ้นมาด้วยความดีนะก็คนดีก็เท่าเป็นที่รวมหรือทางผ่านหรือสื่อแสดงออกของความดีนั่น ุดหมายเขาอยู่ที่ตัวความดีในสำหรับชาพุทธแล้วก็มาบูชาพระพุทธเจ้านี่เป็นสูงสุดก็รวมไปถึงพระรรยไตรทั้งสามอย่างในการบูชานี่เพื่อจะให้เกิดผลดีก็เลยมีการโยงจากเรื่องของ ข้อปฏิบัติที่มีมาแต่โบราณคือว่าแต่ก่อนเขาก็มีการบูชายอยู่แล้วเช่นบูชาเทพ เ, พเจ้าบูชาสิ่งที่เคารพนับถือก็มีการแสดงออกช่วยกิริยาท่าทางเช่นการยกมือไหว้การกราบแล้วก็เลยมีวัตถุสิ่งของมาแสดงออกให้มากยิ่งขึ้นก็มีดอกไม้ทุบเทียนเป็นต้นอย่างที่เราทํากันอยู แล้วก็อาหารก็เป็นเครื่องบูชาชนิดหนึ่งเครื่องบูชามีหลายอย่างอาหารก็เป็นเครื่องบูชาชนิดหนึ่งตอนหลังๆนี่มานึกว่าถวายข้าวพระบางคนก็เข้าใจไปว่าเออจะให้พระพุทธเจ้ามาสวยหรือไงอะไรเปล่าเป็นเครื่องบูชานะเป็นของโบราณเขามีถือว่าอาหารเป็นเครื่องบูชาชนิดหนึ่ง mm. ก็เหมือนกับบูชาได้ดอกไม้ทุกเทียนเนี่ย ใาความว่าเราเคารพยกย่องอะไรเราก็พยายามเอาสิ่งที่เราเห็นว่ามีค่าดีที่สุดเนี่ยเอาไปบูชาท่านนะบางทีคนเก่าๆนี่ได้อะไรลูกจันนะ่ะสวยๆมาก็นึกถึงพระก็อไปบูชาพระนะนะก็เลยไม่เฉพาะดอกไม้ผลไม้สวยๆงามๆดีๆอะไรต่ละที่น่าชื่นใจบางทีก็มีกลิ่นด้วยนะ คือพยายามเอาสิ่งที่ดีที่สุดไปบูชาท่านก็การเที่ยวสิ่งที่ดีไปให้ท่านถวายท่านก็คือเป็นเครื่องหมายของการแสดงความยกย่องเทิดทูนนั่นเองในการบูชาด้วยสิ่งของวัตถุเหล่านี้นทั้งหมดใ น, นพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าอามิสบูชาการบูชาด้วยวัตถุสิ่ง นี่เป็นเรื่องของธรรมเนียประเพณีเป็นเรื่องทางด้านรูปธรรมก็มีความหมายทางสังคม เ, เกิดเป็นวัฒนธรรมแต่ว่าควรจะมีความหมายมากขึ้นพระพุทธเจ้าก็ตรัสตอบไปว่าแต่อามิตบูชานี่ยังไม่มีผลมากการบูชาที่จะมีผลมากแท้ก็คือปฏิปัติบูชาการบูชาด้วยการปฏิปัตินี่ก็คือว่า นำทางหรือว่าชี้ทางให้สูงขึ้นไปให้เข้าสู่ธรรมะได้ดียิ่งขึ้นอาวิสบูชานี่เวลารับูชานี่ความจริงก็ต้องออกมาจากจิตใจถ้าให้ได้ผลก็คือว่าจิตใจเนี่ยเข้าใจความหมายว่าเราบูชาเพื่ออะไรและเราเห็นคุณค่าความดีแล้วเราจะไปบูชาแค่นี้มันก็ได้อยู่แล้วแต่ว่าเพื่อให้ได้ผลยิ่งขึ้นองคพรเจ้าก็ให้มองเห็นว่า อาบิสบูชาบูชาเนีว่าถุตสิ่งของนี่ยังไม่สําคัญเท่าไหรยังไม่ประเสริฐแท้แล้วประเสริฐแท้ต้องบูชาด้วยการปฏิบัตินะีก็คือตัวเราเนี่ยทาความดีซะเองนะแล้วก็พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนก็ต้องการให้เราเนี่ยประพฤติปฏิบัติตามพระสงฆ์งดีเลือกคัดสิ่งที่ดีมาให้แล้ว อันนี้ถ้าหากว่าเรารเคารพพระองค์จริงก็ต้องเอาไปปฏิบัติตามเมื่อปฏิบัติตามก็ถือว่าได้บูชาพระองค์ด้วยการบูชาที่สูงสุดเพราะฉะนั้นก็เลยมีการบูชาสองอย่างอาวิสบูชากับปฏิบัติบูชาการบูชาเรียว่าถึงสิ่งของซึ่งเป็นฐานเบื้องต้นแล้วถึงยังไง คนเรานี่จะให้เข้าสู่นามธรรมาเลยนี่บางทีก็ยากเอาวัตถุมาเป็นฐานมาเป็นสื่อก่อนแต่ว่าสิ่งที่ต้องการนั้นก็คือการบูชาด้วยการปฏิบัติถ้าปฏิบัติบูบบชาแล้วก็จะเกิดผลจริงคือเปิดเกิดผลดีกับชีวิตของเราเราทำมาที่พระเจ้าสอนก็เกิดผลตามที่พระองค์ทรงต้องการละความดีงามก็จะอยู่ในสังคม แล้วอามิสบูชานั้นถ้าไม่มีปฏิบัติบูชารองรับในระยะยาวมันก็ค่อยๆหมดความหมายไป yeah. เพราะเมื่อมีการปฏิบัติรบูชาไในการปฏิบัติแล้วความดีงามอยู่ในหมู่มนุษย์คนก็ยังนิยมยกย่องความดีงามแล้วก็อามิสบูชาก็เป็นไปเองอันนี้ก็เป็นหลักเรื่องเกี่ยวกับการบูชา mm. แต่ว่าใน พุทธพน์ในแห่งที่ตรัสเกี่ยวกับบูชาสองอย่างนี้ไม่ได้ใช้คําว่าปฏิปฏิบูชาใช้คําว่าหนึ่งอามิสบูชาสองธรรมบูชาเพราะฉะนั้นคู่ที่แท้เนี่เป็นอามิสบูชากับธรรมบูชาบูชาได้วัตถุสิ่งของก็บูชาได้ธรรมก็ความหมายก็โยงมาเป็นอันเดียวกันก็บูชาได้ธรรมก็มาถึงเอาธรรมมาปฏิบัติ เป็นอันว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงมุ่งหมายแท้จริงก็คือให้พุทธศาสนินกนชนนี่ตั้งใจปฏิบัติตามคําสอนของพระองค์คือเอาธรรมะนั่นเองเป็นปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลดีกับชีวิตของตนเองเพราะแท้จริงแล้วพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ทรงต้องการวัตถุสิ่งของอะไรที่เราไปบูชาได้ซ้ําเป็นการแสดงน้ําใจของเราเองนั้นแสดงน้ําใจอย่างจริงจังก็คือ องหวังดีและนี่สอนให้ท่านปฏิบัติทำความดีก็เอาความดีนี้ไปทำตามสิ่งนี่จะบูชาแท้จริงอันนี้เพื่อจะให้การบูชาได้อามิตรนี่มีความหมายขึ้นอย่างน้อยคนก็ทำกันอยู่เรื่อยจะได้ให้อามิตรบูชาในเชื่อมกับปฏบิบัติบูชาได้ง่ายขึ้นก็มีการให้ความหมายของเครื่องบูชาด้วย แต่ว่าความหมายเหล่านี้ให้ถือว่าเป็นมติของนักปราชญ์ซึ่งไม่จําเป็นจะต้องตายตัวเป็นเพียงว่าหาความหมายให้สิ่งเหล่านี้จะได้มีทางที่จะคิดเชื่อมต่อไปหาธรรมะสิ่งที่ดีงามทําให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้นี่เราบูชาด้วยทูบเทียนดอกไม้นี่เป็นหลักเมื่ออย่างนี้ก็เลยเอามาดูความหมายของทุบเทียนดอกไม้ มีมติหนึ่งที่ดีเอาไปใช้ประโยชน์ได้ก็บอกอ้าวมีทูบเทียนดอกไม้นี่ก็เครื่องบูชาก็มีสามอย่างก็ตรงกับพระตนตรัยซึ่งก็มีสามอย่างก็เลยจัดเป็นว่าอา้าวทูบนั้นใช้บูชาพระพุทธเจ้าเทียนบูชาพระธรรมดอกไม้บูชาพระสงฆ์แล้วก็ให้ความหมายต่อไปว่า ที่บูชาพระพุทธเจ้าได้ทูปนะั้นจะเห็นว่ามีสาดอกสดอกนะั่นคืออะไรพระพุทธเจ้ามีพระคุณสามหนึ่งพระปัญญาคุณที่ทําให้ตรัสรู้สองพระวิสุทธิคุณความบริสุทธิ์ก็เมื่อตรัสรู้ได้ปัญญาก็ทําให้พระองค์นี้บริสุทธิ์สะอาดจากกิเลสพระปัญญาคุณที่ตรัสรู้เนี่ยทำให้บริสุทธิ์หมดจดจักกิเลสแล้วหลุดพ้นจากความทุกข์ วิสุทธิคุณนี้อันเดียวกับวิมุตติคุณะจะเรียกวิสุทธิคุณก็ได้วิมุตติคุณก็ได้หลุดพ้นจากกิเลสและความทุกข์อันนี้ก็กลายเป็นพระคุณที่สองแล้วการพระองค์มีมหากรุณาคุณก็คือพระคุณได้แก่มหากรุณาปรารถนาประโยชน์สุขแก่ปวงสัตว์ช่วยเหลือสัตว์ให้พ้นจากความทุกข์ก็เป็นพระคุณนั้นยิ่งใหญ่ที่ทําให้พระองค์ได้ออกประกาศศาสนา เป็นพระคุณข้อที่สามพระพุทธเจ้ามีพระคุณสามระบูชาพระพุทธเจ้าด้ทูปก็คือบูชาพระคุณสามประการนะแล้วก็จะเห็นว่าทูปเนี่ยมีกลิ่นมีควันที่ออกมาเป็นกลิ่นหอมนะกลิ่นหอมนี่ก็เป็นสัญลักษณ์ของกลิ่นของความดีนะกลิ่นของคุณ คุณความดีนี่มีกลิ่นมีกลิ่นอันหอมเหมือนกับกิติศัพท์เราได้ยินคุณความดีของคนนี่ก็เรียกว่าคนนั้นหอมประมาณนั้นแต่กลิ่นของความดีหรือความหอมของความดีนี้ประเสริฐยิ่งกว่ากลิ่นหอมของทูปเพราะว่ากลิ่นหอมของทูปนี้ไปทวนลมไม่ได้แต่ว่ากลิ่นหอมของความดีไปทวนลมได้ ให้นึกอีกขั้นหนึ่งว่ากลิ่นหอมความดีนะั้นประเสริฐยิ่งกว่ากลิ่นหอมของวัตถุมีทูปเป็นต้นแต่เอาเป็นว่าบูชาพระพุทธเจ้าด้วยทูปแล้วก็สดอกหมายถึงบูชาพระคุณทั้งสาประการได้แก่พระปัญญาคุณพระวิสุทธิคุณและพระหมหากรุณาคุณทีนี้ต่อไปที่2เทียนก็เป็นเครื่องหมายของการบูชาพระธรรม จะเห็นว่าบูชาได้เทียนในี้ใช้สองเล่มทำไมใช้สองเล่มพระพุทธศาสนานั้นแยกเป็นสองส่วนคือธรรมะกับวินยัยเราเรียกว่าพระธรรมวินัยเป็นชื่อของพระพุทธศาสนาธรรมะกับวินัยรวมกันทําให้เป็นพระพุทธศาสนาอยู่ได้ ถ้ามีแต่ธรรมะไม่มีวินยัยธรรมะก็ดำลงอยู่ไม่หนานมีแต่วินัยไม่มีธรรมะก็วินัยไม่รู้จะสื่อไปถึงไหนวินัยก็สื่อถึงธรรมะนั่นเองเพื่อจะสื่อวินัยมาช่วยสื่อให้ถึงธรรมมาถึงฝึกคนนําคนให้ถึงธรรมแต่ธรรมะนี่จะปรากฏประโยชน์แก่หมู่มนุษย์ได้ก็ด้วยอาศัยวินัยที่เป็นรูปแบบธรรมะเป็นเนื้อหาสารวิวินัยเป็นรูปแบบ เป็นการจัดตั้งวางระบบแบบแผนในสังคมในหมู่ชนทําให้ความจริงที่มีอยู่ในธรรมชาติเนี่ยปรากฏผลออกมาแก่หมู่มนุษย์ได้นั่นเป็นองค์ประกอบสําคัญของพุทธศาสนาสองอย่างธรรมกับวินยัย น, นี่ก็เทียนก็เลยใช้สองเล่มเป็นสัญลักษณ์ของพระธรรมกับพระวินยัยอันนี้เทียนนั้นจุดแล้วสว่าง ก็เหมือนกับธรรมะรวมทั้งวินัยด้วยที่ว่าเป็นเหมือนดวงปทีบส่องสว่างให้คนรู้เกิดปัญญาเข้าใจรู้จักดาเนินชีวิตได้ถูกต้องเข้าถึงคุณความดีอะไรต่างๆอ้าวนี่เป็นความหมายของเรื่องของเทียนที่ใช้บูชาพระธรรมต่อไปดอกไม้ใช้บูชาพระสงฆ์ทาไมดอกไม้บูชาพระสงฆ์ จะเห็นว่าดอกไม้นั้นที่เรามาเนี่ยมีสีสันประเภทชนิดต่างๆเขาเรียกว่านานาพันธุ์จะนานาพันธุก็ได้พันธุ์ต่างๆ น, นานาพันุ์นะพออหันนอนเองก็ได้พันุ์เพรสีต่างๆประเภทต่างๆดอกไม้เนี่ยสารพัดเล็กบ้างใหญ่บ้างอันี้ดอกไม้เหล่านี้เวลามาบูชาเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาไม่ได้มาถึงก็ บ, บูชาเฉยโดยมากเขาจะจัด จัดเป็นพวงมาลามาลัยบ้างจัดใส่แจกันบ้างนะจัดใส่พานบ้างนะเป็นระเบียบเรียบร้อยอันนี้ก็จะโยงไปหาพระสงฆ์เปรียบเหมือนพระสงฆ์สงเนี่ยเป็นหมู่เป็นชุมชนก็ประกอบด้วยภิกษุที่มาจากชาติตระกูลต่างๆ ภูมิหลังการศึกษาอบรมต่างๆกันชีวิตจิตใจความรู้สึกอะไรต่งตางๆกันต่างกันหมดแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่พอเข้ามารวมกันเป็นสังขานี้เข้าสู่สังขานี้มีวินัยอันหนึ่งอันเดียวกันปฏิบัติเพื่อธรรมะตามแนวทางธรรมะอันหนึ่งอันเดียวกันโดยเฉพาะมีวินัยเป็นเครื่องจัดตั้งวางระบบ ก็ทำให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยก็งามเหมือนอย่างกับดอกไม้ที่ต่างสีต่างพันธุ์ดอกเล็กดอกใหญ่มากมายนั้นช่างดอกไม้เขาจัดเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม น, น, นี้เมื่อนึกถึงดอกไม้ก็ทำให้นึกถึงสังขะว่าอ๋อนี่แหละคน มีต่างๆกันอย่างไรก็ตามเข้ามาสู่พระธรรมวินัยแล้วก็จะมีแบบแผนวินัยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก็มีความงามสังคมของเราถ้ า, าว่าได้มีการจัดตั้งวางระบบให้ดีด้วยวินัยแล้วก็มีหลักการคือธรรมะอันเดียวกันก็จะเป็นชุมชนเป็นสังคมที่ดีงามมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยฉันนั้นอันนั้นก็บูชา สังฆะคือพระสงฆ์ด้วยดอกไม้อันนี้ก็เป็นความหมายของเครื่องบูชาเนมะื่อเรามองความหมายของเครื่องบูชาอย่างนี้แล้วก็เห็นทางปฏิบัติและจิตใจก็มองกว้างไม่ไปติดอยู่แค่วัตถนะุมีสิ่งที่จะไปพิจารณาใครรวนนำทางชีวิตจิตใจไดนะ้เป็นสื่อที่จะนำให้ลึกซึ้งต่อไป ในการศึกษาธรรมวินัยด้วยอันนี้วันนี้ก็เลยพูดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรากระชาพุทธประจําวันเลยเห็นเห็นกันอยู่เนี่ยตอนแรกๆนี้ก็จะเอาเรื่องพกที่มองเห็นเห็นนี่มาพูดก่อนแล้วตอนหลังค่อยพูดหลักการเพราะเรื่องหลักการนี่อาจจะยากบางนะวันนี้ก็ได้พูดมาพอสมควรแล้วนะมีอะไรสงสัยไหม ที่บูชานอกจากบิดามารดาใครผู้มีพคุณที่รับบูชาด้วยกัเออก็ที่ความหมายที่ท่านต้องการมาันกว้างมากแต่ว่าอันนี้ยกตัวอย่างเพียงยกตัวอย่างเท่านั้นนะเช่ว่าพ่อแม่ก็เป็นบูชนิยบุคคลของลูกครูอาจารย์ก็เป็นปูชนิยบุคคลของลูกศิษย์เนี่ยอันนี้พระพุทธเจ้าก็เป็นปูชนิยบุคคล องพุทิศาสนิกชนจริงๆก็คือของคนทั้งหลายนะแต่ว่าสาระสาคัญก็คือคนดีเป็นที่สถิตของความดีใช่ไหมก็เป็นผู้ที่คนบูชาก็อย่างที่ว่าแม้แต่ในคนยากจนเมื่อกี้นะที่ขยันมันเพียรจนกระทั่งตั้งตัวได้ร่ํารวยแล้วก็พระราชาก็บูชาได้ตําแหน่งสิทธิใช่มให้คนดีทั้งหลายเลยให้บูชาคนดี ทีนี้ที่พระเจ้าจัดเป็นคาถาเขาบอกว่าบูชาคนที่ฝึกตนแล้วแม้ครู่เดียวประเสริฐกว่าบูชาบวงสวงเทพเจ้าเป็นร้อยปีว่างั้นเอาอย่างนี้เลยนะฮะท่านอาก็ให้ความสาคัญเรื่องนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องใหญ่คติของสังคมถ้าสังคมมายึดหลักอันนี้ สังคมก็จะเสื่อมอย่างที่มาบูชาเรื่องทรัพย์สินเงินทองเนี่ยอำนาจใช่ไหมแล้วเดี๋ยวนี้สังคมเขาหราจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าทีานี้ถ้าสังคมหันไปสู่การบูชายกย่องเอาที่ความมีวัตถุมากมีทรัพย์สินเงินทองอำนาจคือลาบยศเนี่ยก็ไอเรื่อง แนวทางของสังคมก็ ต, ต้องต้องไหลลงและกระแสมันไปสู่วัตถุนิยมใชม่คุณความดีก็ไม่ได้รับการนับถือคนก็ไม่เอาใจใส่เรื่องความดีใช่ไหมทำไงก็ได้เพื่อใมีทรัพย์มีอำนาจแลสังคมก็ต้องเสื่อมใชม่แล้วจะมาโทษใครเ <laughs> พราะเป็นข้านิยมของสังคมที่จะเอาอย่างนั้นใช่ท้งำเสียดีในสมัยผู้จัดการนี่จะต้องมีคุณธรรมด้วยใช่ไหครับ หมายความว่าพระราชาก็ต้องพิจารณาสิว่าท่านผู้นี้เนี่ยสมควรจะแต่งตั้งในตำแหน่งเศรษฐีไหมเศรษฐีในปัจจุบันไม่ใช่อย่างนั้นรอกอ๋อก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ถึงเศรษฐีในพุทธกาลก็ต้องมีคนที่ไม่ค่อยมีคุณธรรมอย่างน้อยบางคนแกรวยแล้วแกก็ขี้เหนียวเหลือเกินอ่ะก็งมีเรื่องในคำพีว่าพระมหาเทราช่อย่างมหาโมคคลานเนี่ย ไปทรมานเศรษฐีคําว่าทรมานนี้แปลว่าฝึกทรมานนี่มาจากคําว่าธรรมะธรรมะก็มาจากธรรมแปลว่าฝึกฝึกหมายความว่าทําให้รู้บาปบุญคุณโทษรู้จักกุศลอกุศลรู้จักปัญญาเข้าใจความจริงพัฒนาปัญญาขึ้นมาเรียกว่าฝึกภาษาบาลีเรียกว่าธรรมนะ เป็สันสกฤตแล้วแปลงเป็นไทยก็เป็นทรมานทรมานหมายความไปฝึกไปทําให้เขาเกิดความรู้เกิดปัญ ญ, ญาทีนี้ตอนหลังพระสไทยทรมานกลายเป็นว่าทําให้เจ็บปวดไปกันคนละเรื่องเลยนี่เราจะไปอ่านหนังสือเก่าๆ ก, ก, ก็จะเจอคําเหล่าเนี้ว่าพระพุทธเจ้าไปทรมานพระ ก, กับพริมอย่างนี้เป็นตน้นเอ๊ะพระพุทธเจ้าทําไมไปทําให้เขาเจ็บปวดลำบากไม่ใช่ ทลมานหมายความไ ป, ไปฝึกเขาไปทำให้เขารู้เข้าใจเห็นความจริงเกิดปัญญา น, ะนี่เศรษฐีในพุทธการก่อนพุทธการก็มีพวกเศรษฐีที่ขี้เหนียวแม้แต่ตัวเองก็ไม่รู้จักใช้ทรัพย์ให้เป็นประโยชน์แก่ตัวเองด้วยกินอยู่อย่างเหมือนกับคนจนนะเพราะว่าหวงแหนทรัพย์สมบัติ ทีนี้ก็เลยคนที่อยู่ใกล่ชิดครอบครัวอะไรก็ไม่บำรุงรักษาไม่เอาใจใส่ไม่ใช้ทรัพย์ออกไปบำเป็นประโยชน์แก่สังคมแก่เพื่อนมนุษย์ก็อย่างเงี้ยทมหาเทราเชน่นพระมหามโมคคลา น, นัทท่านก็ไปทรมานไปแก้ น, นี่ไปแก้ไขไปปรับปรุงไปพัฒนาเขาก็มีเรื่องมาในคัมภีรเช่นอะติกถาธรรมบทตรทำให้เศรษฐีนั้น ใจกว้างขึ้นหายตรรนีแล้วก็รู้จักดาเนินชีวิตให้ถูกต้องใช้ทรัพย์มาเลี้ยงดูตนเองให้เป็นสุขตามสมควรแก่ตัวภาพเลี้ยงดูคนในความรับผิดชอบตั้งแต่ครอบครัวบุทธรญมาเป็นต้นไปแล้วก็นำไปทำประโยชน์ช่วยเหลือสังคมไปช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ ย, ยากบาเป็นประโยชน์อย่างเงี้ยเรียกว่าก็เศรษฐีที่ บางคนแกนก็อาจจะมีคุณธรรมในการที่ว่าขยันันเพียรตั้งเนือตั้งตัวแต่แกมีความตัวหนีมาก <c oughs> <c oughs> ก็ต้องพัฒนาก่อีกเนีเพราะฉะนั้นก็ไปธรรมณะคือทรมานที่ว่าแต่รวมความก็คือว่าเป็นตำแหน่งที่พระราชาแต่งตั้งที่ก็การที่จะแต่งตั้งได้คนดีแค่ไหนก็อยู่ที่พระราชาอีกด้วยว่าพระราชานี้มีค่านิยมอย่างไรใช่ มีคุณธรรมแค่ไหนแต่ว่าอันนี้พระราชาตั้งก็ต้องก็ขึ้นต่อมาตรฐานสังคมเหมือนกันใช่้านิยมสังคมไปทางไหนคนแต่งตั้งก็จะต้องอยู่ใต้อิทธิพลของค้านิยมของสังคมเหมือนกันงั้นมันก็อยู่ที่ภาวะสังคมถ้าเป็นยุคนี้ถ้าไปเชิดชูทรัพย์และอำนาจนะการแต่งตั้งมันก็ไม่เป็นไ ป, นปนตามความดีใช่ไหมแต่รวมแล้วก็ยังใช้คำว่าบูชายอยาู่นั่นะบูชาก็คือยกย่อง ยกย่องให้เกียรติอันนี้ผมเล่าเพียงให้เห็นความหมายของคําว่าบูชาว่าไม่ใช่หมายความว่าต้องเอาขึ้นหิ้งขึ้นโต๊ะหมู่บูชากล่าวไหวนะ้เนี่ยบูชาหมายถึงให้เกียรติยกย่องเชิดชูในหลักการสําคัญก็คือว่าพระพุทธเจ้าต้องการให้คนเราเนี่ยหันมายึดเอาความดีเป็นหลักแล้วก็เมื่อยึดความดีเป็นหลักก็เลยต้องเ ช, ชิดชูยกย่อง คนดีคนทำความดีมีอะไรสงสัยนะฮะถ้าไม่มีวันนี้ก็คงแค่เท่านี้ก่อน